ขอน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรัยโอกาสเพื่อนสัตธรรมิกท่านเจริญธรรมม่ชีและญาติธรรมทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะไม่ต้องผนมมือวางใจสบายแล้วก็ทําอำทําความรู้สึกตัวเนาะการให้มีความรู้สึกตัวเป็นหลักส่วนการฟังก็เป็นรองฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไร นะแต่เราให้รู้สึกตัวเอาไว้ <c oughs> นะในพศาสนานั้นเรามีคำสอนต่างๆมากมายถึงแปดหมื่นสี <c oughs> ่พันพระธรรมขันธ์คำว่าแปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์นี่หมายความว่ามีมากมายนะถ้าเป็นพระไตรปิฎกก็มีสี่ห้าเล่มนะอันนี้ถ้าหากว่าเรานะศึกษาไปแล้วเราจะไม่รู้ว่า <c oughs> จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าได้สรุปว่า ย, ยัางไงนะ แต่นี่ก็สรุปจริงๆแล้วก็มีหลักอยู่เพียงสมประการเท่านั้นก็คือประการแรกก็คือให้รู้จักกับความทุกข์ประการที่สองเมื่อรู้จักความทุกข์แล้วก็ให้ปฏิบัติเพื่อให้ถึงความคนทุกข์นั้นเนาะ <c oughs> ครั้นี้ถ้าเร า, าจับหลักนี่ได้เราก็จะง่ายนะว่าเรานะ <c oughs> จะต้องดำเนินอย่างไรในภาษาศาสนาเราเนาะ <c oughs> เพราะนะันบางคนที่ไม่ถูกทางก็มีนะไปทําเรื่องทานเรื่องอะไรเฉยๆนะ่ยมันไม่ไม่ถูกหลักจริงๆก็คือ <c oughs> กลับมารู้จักไหมว่าเรามีความทุกข์ไหมเนะ่ยตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเนาะบางคนบอกว่าเราไม่มีความทุกข์เลยนะแต่จริงๆพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอย่างไรแต่เมื่อกี้ที่เราก็สวดไปแล้วนะชาติปีตุขาความเกิดก็เป็นทุกข์ ชาลาปิทุขาความแก่กเป็นทุกข์มรณะปิทุขังความตายก็เป็นทุกข์โซกะปริเทวทุกขโทโมนัสสุปายาสาปิทุขา <c oughs> ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความปราหถาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนาะก็คือสรุปแา้วก็คืออุปทานขันทั้งห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์แต่ทำไมต้องมีคำว่าอุปทานนะทำไมไม่มีสรุปว่าทำไมไม่สรุปว่าขันทั้งห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์ขันทั้งห้าก็คือกาย เวทนาจิตก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะก็คือกายและใจทำาไมไม่สรุปว่ากายและใจเป็นตัวทุกข์ทำไมต้องมีคาอุปทานคาอุปทานนี่หมายถึงว่าเราเป็นตัวที่เราไปอุปทานมันไปยึดมั่นถือมันว่ากายและใจนี่นะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะเพราะเหตุที่เราไปยึดมั่นว่ามันเป็นของเราเนี่แหละเราจึงมีความทุกข์ เพราะนั้นเมื่อใดที่เราสามารถที่จะถอดถอนความเข้าใจผิดความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จะพ้นทุกอย่างแท้จริงเนาะมันก็เข้าถึงมรรคานในตรงนี้นันแหละเป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดนะ <c oughs> แต่กายและใจนี่เขาก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มี <c oughs> แต่ว่าเราไปเข้าใจผิดเราไปยึดเขาเองว่าเป็นของเรานะ <c oughs> เขาก็ประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองนะนะ่ะ แล้วก็มีจิตวิญญาณนะเข้ามาใสายอยู่ใช่ไหมแต่เราก็ไปยึดมั่นว่าเป็นของเราทั้งหมดเลยเนาะ น, นี่เราก็เรียกว่าเราไม่เข้าใจเราไปคิดตูเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้ก็เลยมีคําว่าอุปทานก็เพราะเราไปยึดตัวไว้นะเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนาะ <c oughs> คราวนี้ฏปบัติการมัทั้งหมดนะก็เพื่อถอดถอนความเข้าร่ผิดในตรงนี้จะถอดถอนได้อย่างไรก็เพื่อเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังนะความทุกข์ทนในภาวะเดิมไม่ได้แล้วก็นักตา การที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเนาะมัน <c oughs> มันเข้า <c oughs> เข้ามาสู่การถอดถอนด้วยปัญญาในตรงนี้นะโดยการเห็นสีลธรรมคือความจริงของปฏิรักษ์คราว น, นี้นะเราประการแรกนี่เราเห็นความทุกข์ไหมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยสนใจมาปฏิบัติธรรมกันหรือว่ามาก็ถูกบังคับมาใช่ไหมนะอันนี้มันจะไม่เกิดประโยชน์เลยทั้งสิ้นเลย แต่ว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากการประวัติธรรมที่แท้จริงคือเขาเห็นความทุกข์แล้วเนาะเห็นความทุกข์แล้วก็คือเห็นความทุกข์ในปัจจุบันนะว่าเราก็มีความทุกข์นะจริงๆมีความทุกข์ไหมใช่ไหมมันก็ปรากฏอยู่ในทางกายและใจนี่แหละในทางกายเราเห็นไหมนั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เริ่มมีความกวดเมื่อยใช่ไหมนี่ก็เป็นความทุกข์นะหรือว่าเราง่วงก็เป็นความทุกข์ เราอาจจะรู้สึกหิวหิวนะก็เป็นความทุกข์นะความหนาวก็เป็นความทุกข์นะก็คือขณะนี้มันก็มีความทุกข์อยู่แต่ว่าเราเห็นเขาไหมเราเราเห็นก็ไม่เท่านั้นเองใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้ก็ว่าแล้วเออความทุกข์ในทางกายเนี่ยทุกประจําสังขารคือความแก่ความเจ็บความตายนี่เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วใช่ไหมนอกจากเป็นความทุกข์ย้อนมาอีกมากมายใช่ไหมอันนี้ความทุกข์ทางกายเนี่ยเราแก้ก็ไม่ได้หรอกเราเพียงแต่บรรเทาทุกข์ใช่ไหม เราปวดเมื่อยล้วก็ลุกขึ้นมาเดินอันนี้ก็หายแล้วเราก็ก ล, กลับมานั่งใหม่มานอนใหม่เนาะหิวก็ไปทานอาหารไว้ก็ต้องหิวใหม่ก็ต้องมาทานใหม่เนาะ <c oughs> เราง่วงไปนอนก็ต้องกลับมาง่วงใหม่ก็จะไปนอนอีกครั้งหนึ่งนะเพราะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าขันในร่างกายเนี่ยเป็นการบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองนะมันไปแก้ความทุกข์จริงๆไม่ได้ <c oughs> เหมือนกับรถยนต์นะเราก็ต้องซ่อมบำรุงไปตามใดที่รถยนต์ยังอยู่นะมันไม่มีโอกาสที่มันจะ ไม่มีต้องซอ่อมบำรุงหรอกนะฮะมันต้องซอ่อมบำรุงตลอดไปร่างกายก็มืนก็ลดยนนะมันมันคล้ายๆงั้นเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยมีความทุกข์แน่นอนใช่ไหมแล้วเราก็แก้ไขดับทุกข์จริงๆไม่ได้ด้วยส <c oughs> ่วนอีกอย่างนึงก็คือความทุกข์ในทางใจนะความทุกข์ทางใจนี่เป็นสะิ่งที่น่ากลัวเป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายนะจากความทุกข์ทางใจเนี่มากมายนะนะเราจะไม่ค่อยเห็นคนที่นอนตามสะพานต่างๆนะตายสะพานหรือว่านอนตาม อัตฐานนี้รถไปหรือคนเก็บยขยะค่าตัวตายหรอกนะแต่คนที่ฐานนะค่อนข้างดีนะพวกนี้จะฆ่าตัวตายกันบ่อยนะเพราะว่าเขามีความทุกข์ใจมากนะทุกข์ใจจากเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเราเนี่ยหาทางออกไม่ได้ใจก็ไปวนอยู่ในความคิดมากมายออกไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายกันเนาะเพราะฉะนั้นจิตใจเราเนี่ยนะมันเป็นเหตุนําความทุกข์มาให้เรานะมีความโกรธความรักความชางังความเกลียดความกลัว ความเหงาความเครียดความดิฉาลิษยามากมายมนี่แหละคือความทุกข์ทั้งหมดเลยแล้วเราหาทางออกไม่ได้นะก็เลยไปฆ่าตัวตายกันนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ในทางใจมันมากมายแต่ว่ามันสามารถที่จะดับได้อย่างเด็ดขาดคือสามารถที่ถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันต์นั้นท่านดับทุกข์ในทางใจได้แล้วแต่ทุกข์ทางกายท่านนียจะมีอยู่นะแต่จิตใจท่านในพ้นทุกข์ไปแล้ว เพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็หมายความว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อการดับทุกข์ในใจเรานี่แหละเมื่อตามมาดับทุกข์ในใจแล้ ว, ลลวความทุกข์ในปัจจุบันของเราจะลดลงแต่ความทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรพระเจ้าท <c oughs> รงมีพระราชวังสามฤดูนะมีพระมหาเศรีที่งดงามมีพระราชรถที่น่ารักมีราชสมบัติรออยู่ข้างหน้าแล้วคือมีความสุขกว่าคนธรรมดาทั่วไป แต่ทำไมท่านต้องออกมาจากพระราชวังมาอยู่กลางดินกินกลางทรายแล้วก็ไปเที่ยวบินาบาดนะอยู่ด้วยความทรมานเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะท่านเห็นความทุกข์ในสังสวัสดนั่นเองนะความทุกข์ในสังสวัสิก็คือการเวียนบ้ายตายเกิดมีการเวียนบ้าตายเกิดนับพมน้ำชาไม่ท้วนเกิด <c oughs> เป็นสัตว์เลเชานเปรตสู่กายสนรโลกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความน่ากลัวในสังสวัสิ ที่เรียกว่าเรานีไม่พ้นนะเ <c oughs> พรพาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงในยามแรกท่านกา็ตัดสู้ในคืนนั้นท่านก็ได้ปุเพนิวาสัตวิสิกยานว่าท่านเคยเกิดมานับพมบรชาญไม่ทวนแล้วเป็นบางชาติก็เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจกนะหรือว่าบางชาติเคยเกิดเป็นสัตว์เดฉานหรือบางชาติเคยเกิดเป็นสันรกก็มีนะอันนี้เป็นสิ่งท่านประสบพบเห็นมากมายมานตั้งแต่ในคืนวันเพ็ญเดือนห <c oughs> คืนที่วันวิสาขานบูชานั่นเองนะหลังนั้นท่านก็สามารถที่จะ <c oughs> ตัดรลวยป็นพุทธเจ้าได้นะสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านท่านเห็นด้วยยานแต่สิ่งที่ประสบในครั้งนั้นท่านรู้อยู่แล้วว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงๆริง <c oughs> เพราะฉะนั้นตามใดที่เรายังเกิดอยู่นั่นแหละมันก็เป็นความทุกข์นะอย่างเถ้าเรามีบทสวดบทอยู่บทหนึ่งบอกว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่าไปนะ <c oughs> เราเห็น <c oughs> เราเห็น <c oughs> นายช่าง <c oughs> นายช่างผู้สร้างเรือนแล้วนายช่างผู้สร้างเรือนก็คือตันหานั่นเองนะต่อไปเจ้าจะทําเรือนแตเราไม่ได้ต่อไปนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าจได้ค้นพบในตรงนี้แล้วก็ได้ทรงลำพึงขึ้นมาเป็นปฐมพุทธภาสิทในการที่ตักลุกข้างแรกลำพึงเนะนี่ยตรงเนี้ยคือตันหานั่นเองนะที่ทําเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ลําไปเนาะ <c oughs> เพราะนั้นความทุกข์ที่แท้จริงนะก็คือทุกข์ในสังสวัสดินั่นเองก็ตามใดที่เรามีการเกิดอยู่เราต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมีความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างที่กล่าวมันแล้วนี่แหละทุกประการไม่ได้พ้นไปเลยเนาะอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมนี่นะไม่ใช่ว่าเราจะมีความทุกข์ในปัจจุบันนี้แต่เรามีความทุกข์ในสังสวัสิเพราะฉะนั้นการที่เรามาบาติธรรมนี้มันจังเป็นการแก้ทุกข์ในปัจจุบันนี้ด้วยและเป็นการแก้ทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสวัสิด้วยนะ เป็นประโยชน์อย่างไรใหญ่หลวงเลยนะถึงเราจะจบปริญญาเอกนากี่ด็อกเตอร์ก็แล้วแต่มันไม่ได้พ้นทุกเลยนะเราจะมีเงินมากมายเป็นกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ไม่ได้พ้นทุกแม้แต่นิดเดียวกลับมีความทุกข์มากขึ้นแต่การที่เรามาศึกษามาประธรรมนี่แหละนันเป็นหนทางแห่งการพดด้นทุกได้แท้จริงนะนี่เป็นโอกาสเดียวในชีวิตมนุษย์ <c oughs> เพราะศาสนาไม่จะตั้งอยู่ได้นานนะมีการดับไปเป็นธรรมดามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา ถ้าเราไม่ศึกษาไมป่ปฏิบัติในตอนนี้แล้วเราจะไป ป, ะปฏิบัติตอนไหนเนาะมันเป็นความเสื่อมไปแล้วเราจะพบกับความเสื่อมตรง น, นั้นเราจะไม่มีโอกาสรรทําได้เลยเนาะเพราะทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนเมื่อเราอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า น, นี้แล้วทําไมเราไม่ทําให้เต็มที่นะชีวิตเรามีโกาสพนทุกในชาตินี้ได้ทําไมเราไม่ทำใตทนะ ต, ร ต, รำใตรงนี้ให้เต็มที่เนาะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าเราจะได้ปปหมาทนะเมื่อกีเราสวดไปแล้วหันนาธานนพภิกเวเอมัญตายามิโวดูความภิกขุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นน้ำดาเธอทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอดความไม่ประมาทก็คือทําประโยชน์ตัวเราเนี่แหละให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือเรากลับมาปฏิธรรมนะตรงเนี้ก็คือโอกาสที่เรามาทําในตรงนี้กันเนาะ <c oughs> ครั้นี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีความทุกข์จริงๆในสังสวัสดิ์แล้วเราจะทําอย่างไร <c oughs> ก็คือเราก็มาหันมาศึกษาจิตใจร่างกายเรานี่แหละวิธีการก็คือพระเจ้าจได้ทรงตัดไว้แล้วใน <c oughs> สติปัฏฐานสี่นะพุ่งนี้เช้าจะนําส่วนสติปัฏฐานสี่นะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าอิบุตใหญ่นะให้เราตามรู้ก็คือตามรู้กายตามรู้ใจนี่แหละนะยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้เดินนั่งให้รู้นั่งนอนให้รู้ว่านอน <c oughs> ก็คือกลับมารู้ในปัจจุบันนี่เรากาลังทําอะไรอยู่นะยืนเดินนั่งนอนเรารู้ไหมใช่มอืม <c oughs> เพราะเราจะไม่ค่อยกลับมารู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่หรอกแต่ว่าเราจะไปรู้ที่อื่นรู้อย่างอื่นรู้แยะๆนะ ในความคิดเนี่ยปรุงแต่งไปเยอะแยะใช่ไหมเราไปรู้คนอื่นแต่ไม่เคยกลับมารู้เราเพราะนั้นพระเจ้าไม่ได้ให้ไปรู้อะไรเลยถ้าไม่ได้บอกให้ไปรู้เสี่งต่างมากมายแต่ทั้งหมดที่รู้นั่นแหละก็คือกำรู้ตัวเราเองใช่ไหมรู้ว่าเรากําลังนั่งไหมใช่ไหมตอนนี้เรารู้กําลังนั่งไหมเนาะต่อมาก็ได้ทรงพูดตัดในเรื่องอีบทย่อยในสามั ญ, ญญาประพาบอกว่าเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงย ทรงจีวรสังฆาติดื่มลิ้มกินเคียวอุจจละปัสวะก็ให้กลับมารู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะก็คือบทย่อยอย่างต่างในชุประจำวันเราใชนะ่กำลังทำอะไรล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำซักผ้าถูพื้นกวาดพื้นนะทำนูน่นทำนี่ในชุประจำวันเรานี่แหละเรารู้สึกตัวไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่เนาะ ประเด็นสําคัญกนะ็คือพระเจ้าไม่ได้บอกว่าต้องมาปฏิบัติที่วัดนะต้องไปอยู่สํานักปฏิบัติธรรมสมัยนั้นไม่ไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ว่าที่ท่านบอกในตรงเนี้ให้เราไปทําที่บ้านเราทําในชีวิตรประจำวันเราในการทําอีบดต่างๆทั้งวันในชีวิตรประจำวันเรานั่นเองเนาะก็คือให้เรากลับมาตรงเนี้รู้สึกตัวตลอดเวลาในชีวิตรประจำวันเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ยุกก็สามารถไปทำในตรงนั้นได้นี่คือประเด็นสําคัญต่างหากที่กลับมารู้สึกตัวเนาะ ครัน้นี้เราเรากลับมารู้สึกตัวได้ไหมเนะี่ยตรงนี้เราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมปัจจุบันก็คือเราทําอะไรอยู่เรารู้ไหมตอนนี้บางคนอาจจะยกมือสร้างยังหวนะเนี่ยเราเรารู้สึกตัวไหมใช่ไหม <c oughs> หรือเรานั่งอยู่เรารู้สึกตัวไหมเนะี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมปัจจุบันนั่นคือนะคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดหมายความว่าคุณแจสําคัญที่จะนําให้เรารู้สึกตัวได้เมื่อใดที่เราอยู่ปัจจุบันแล้วนั่นแหละเราจะรู้สึกตัว แต่เมื่อใดที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันมันจะเข้าไปในอดีตหรือนาคตเป็นความคิดเป็นความหลงไปเป็นความปรุงแต่งไปนะเพราะฉะนั้นการจะอยู่กับปัจจุบันหมายความว่ากายเคลื่อนไหวเรารู้สึกไหมกายเคลื่อนไหวเรารับรู้ไหมกายอยู่ไหนใจยอยู่นั่นไหมเนี่ยตรงนี้คือประเด็นสําคัญนะเมื่อเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้แล้วจิตใจเราก็ไม่ได้เลื่อนลอยนะนะเขาก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะไม่ได้เลื่อนลอยไปสู่อดีตหรือนาคตเพราะอดีตและนาคตคือความคิดนั้นเลยใช่ไหม ทานข้าวเมื่อเมื่อไหร่เมื่อวานนี้ทานกับไรนะต้องใส่ความคิดพรุ่งนี้เย็นนี้จะทํำไรต้องใส่ความคิดเพราะนั้นไม่ใช่ความจริงในปัจจุบันความจริงในปัจจุบันก็คือเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเรากลับมารู้สึกเท่านั้นเองนะกลับมารู้สึกอยู่ปัจจุบันนี่แหละอาศัยความจริงในการรู้ตัว <c oughs> ในการรู้สึกตัวเนี่ยมันออกจากความคิดได้กับรู้สึกนะแต่ไมื่อใดที่เรานั่งนิ่งๆปุ๊บใจจะใจลอยนะเมื่อนั่งนิ่งๆปุ๊คือไม่มี สิงใดให้ใจเป็นเครื่องรู้ไม่เครื่องอาศัยไม่รู้สึกตัวก็ใจลอยทันทีเลยนะนี่คือจิตไม่มีงานทําก็จะใจลอยแต่เมื่อมีงานทําแล้วก็จะอยู่ตรงเนี้เขาไม่เป็นไหนเพื่อกลับมารู้ในกายในใจเนาะปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักสําคัญปัจจุบันหมายความว่ากายเคลื่อนไหวใจรับรู้ไหมถ้ากายเคลื่อนไหวใจรับรู้นั่นแหละคือปัจจุบันเพราะนี่คือความจริงความจริงจึงไม่ต้องใส่ความคิดแต่เป็นการรู้เท่านั้นเองเนาะ <c oughs> เราก็ใส่ตรงเนี้กายเคลื่อนไหวใจกลับมารับรู้รับรู้บ่อยๆนะ มันจะเกิดความจริงขึ้นในขณะนั้นแต่ถ้าใจไม่รู้มันจะไม่เกิดความจริงมันจะกลายเป็นของปลอมก็คือเป็นความคิดความคิดก็คือความหลงนั่นเองเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะครูบาอาจารย์ลงพระคำเกี่ยวมาเป็นหลงเป็นรู้นะขั้นแรกให้เราเปลี่ยนหลงเป็นรู้ให้ได้ก่อนใช่ไหมไม่ใช่เปลี่ยนรู้เป็นหลงนะอันนี้เป็นหลงเป็นรู้นะหลงหลงหลงหลงลงเปลี่ยนเป็นรู้นะแต่เมื่อก่อนเราก็หลงลงหลงลงลงทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมไม่เเยยป็นรู้ล ครัน้นี้เราก็มีโอกาสนะเราก็สร้างตัวรู้ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นลงเป็นรู้แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะวิธีการง่ายๆเป็นลงเป็นรู้เป็นลงเป็นรู้บ่อยๆใช่ไหมต่อไปจิตเราก็จะเริ่มเข้าใจเห็นเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนนะอารมณ์ต่างๆนี่นะมันจะเกิดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเราบังคับก็ไม่ได้หรอกอ่ะยกตัวอย่างเช่นความคิดนะั้นเราบังคับก็ไม่ได้หรืออารมณ์ต่างๆเราก็บังคับให้ก็ไม่ได้ ตรงนี้เราเห็นไหมว่าเราบังคับกบัญชาเขไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นประเด็นสําคัญเราไม่ได้บัติเพื่ออะไรนะไม่ได้บัติเพื่อเห็นรูปเห็นนามอันนั้นแค่ลําดับต้นๆเท่านั้นเองนะเห็นรูปเห็นนามเมืคือเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจแต่จริงๆแล้วบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าเราบังคับเข้าไม่ได้นั่นเองนะเวลาเราปฏิัติทําแล้วก็เห็นใช่ไหมเดี๋ยวความคิดก็แวบไปแวบมาพอเราเริ่มเห็นความคิดจะเห็นแล้วความคิดก็แวบไปแวบมาเดี๋ยวก็คิดนู้นคิดนี่ เรายังไม่รู้เลยนาะทีข้างหน้าเขาจะคิดอะไรใช่ไหมเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ไปบ่อยใช่ไหมแล้วมันก็เกิดมันก็ดับะเราเห็นตรงนี้ชัดเจนใช่ไหมอารมณ์ต่างๆก็มานะความรักความชางังความเกลียดความโกรธ ก, ก็เกิดมาบ่อยใช่ไหมเราก็สังเกตได้เราเป็นผู้ดูไปนะอะมา่อก่อนเราไม่ประวัติเราก็เป็นผู้เป็นใช่ไหมแต่ตอนหลังเราเริ่มเห็นแล้วอืตอนนี้เราเราโกรธเราเกลียดเรารักเราชางัง <c oughs> เราพอใจเราไม่พอใจนะอันนี้มันเป็นการที่เราเราแยกมาเป็นผู้ดูนะ ไม่ได้เป็นผู้เป็นมาสมัยก่อนนะอ่าสมัยก่อนแล้วเป็นผู้รักผู้เกลียดผู้โกรธตรงเนี้ยมันมันสามารถเห็นได้เลยนะว่าอารมณ์ต่างๆเนี้ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเกิดมันดับมันเกิดมันเองนะมันมามันมันมาเองแล้วมันก็ไปเองอันนี้คือการเดินปัญญานะมันจะเดินปัญญาไปสู่การแยกรูปย่างนามที่แท้จริงไม่จะไปคิดแล้วนะแต่มันต้องมองเห็นมองเห็นไม่บ่อยนะอความคิดเนี่ยเห็นได้ชัดนะเดี๋ยวเราคิดไปละ เราก็ดูสังเกตความคิดไปเมื่อก่อนเราเข้าไปในความคิดนะแต่ตอนหลังเรารู้สึกตัวเราเลยเห็นเออมันคิดแล้วนะเราเริ่มเห็นมันนะพอเห็นปั๊บมันก็ดับไปนะแต่มันมันไม่ดับก็ไม่เป็นไรเราก็เห็นมันทํางานได้มันกลับไปเป็นผู้ดูนะกลับไปเป็นผู้ดูได้เลยนะตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่เทีนเน้นบอกว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดเพราะว่าทําเชี่นี้เราจัดการเป็นผู้ดูนะเมื่อเราเป็นผู้ดูความคิดเราก็ไม่เป็นผู้คิดนะมันเป็นผู้ดูไป เพราะนั้นอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะความโกรธเป็นต้นะความโกรธเมื่อก่อนเราใครมาด่าเราเราก็โกรธเราเป็นผู้โกรธไปแต่เมื่อเราจิตเราสามารถที่จะเห็นความคิดได้เราดูความคิดได้เราจะกลับมาเห็นลมได้เห็นความโกรธได้เราจะเห็นอารมณ์เออโกรธแล้วนะเราเราเป็นผู้เห็นมันนะเห็นมันโกรธในขณะเดียวกันมันยังโกรธต่อแล้วก็สามารถเห็นมันโกรธต่อได้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากนะเขาเรียกว่าเราเห็นเห็นไม่เป็นนะ มันสามารถจะโกรธได้เราไปห้ามก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมเมื่อใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระนาคามีมันต้องมีความโกรธอยู่แล้วใช่ไหมโกรธมากโกรธน้อยก็ไม่เป็นไรแต่เราเห็นเขาไหมสําคัญว่าตรงนี้นะเมื่อเราเห็นเขาแล้วมันก็จะเบาลงน้อยลงแล้วอาจจะดับไปหายไปแล้วก็นานๆเขค่อยเกิดขึ้นมาใหม่เพราะเราเริ่มเห็นเขาแล้วนะอารมณ์ต่างๆนี่แหละความรักความชังความเกลียดความพอใจไม่พอใจเมื่อก่อนเราเป็นผู้เป็นนะต่อไปเราจะเห็นเขาหมดเลย เหนนะ้ำลมต่า ง, างๆเหล่านั้นนะเราก็ไปห้ามไม่ได้นะต้องอยากเกิดแต่เราเห็นเขาแล้วใช่ไหมเห็นเขาแล้วโคตรจะเบาลงน้อยลงอ่ะแล้วก็ค่อยๆสลายไปเป็นความเกิดดับที่เราสามารถสังเกตได้เนี่เราบังคับเขาไม่ได้เลยนะเป็นสิ่งที่เขาเกิดเองแล้วเขากระดับเองอ่ะตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองตามที่ตาหรือหูได้ยินเสียงอ่าจมูกได้กลิ่นอะไรที่มันจะเกิดในสิ่งนี้ขึ้นมาเองนะเขาเรียกว่าเป็นไปตามปฏิจจญาสุบุบาทซึ่งเราบังคับเขาไม่ได้เป็นการทํางานของกระบวนการจิตใจเนาะ เราก็เป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะดูสิ่งเหล่านี้เราก็จะเกิดความเข้าใจในการที่เราบังคับบัญชาในสิ่งต่างไม่ได้เนาะตรงนี้มันเป็นสภาวะหนึ่งที่มันจะเกิดปัญญาเป็นการเดินปัญญาในปัตยลักษณเพราะตราบใดที่เราปติธรรมโดยวิธีถึงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวิธีไหนถ้าเราไม่เห็นปัตยลักณไม่เข้าถึงปัตยลักษณไม่ได้สัมผัสปัตยรักณ์แล้วมันก็ยังเป็นสมถะแทบทั้งสิ้น เป็นการเอาดีเป็นการบังคับบัญชาทั้งสิ้นนะสิ่งใดการปฏิบัติรรมก็คือให้เราเห็นให้เรารู้ตามที่เขาเป็นให้เราเห็นตามที่เขาเป็นนะไม่ใช่เขาเป็นไปตามที่เราต้องการเนาะการที่เราให้ก็เป็นตามที่เราต้องการนั่นแหละคือสมถะก็คือเราจะไปบังคับกดข่มให้เขาดีตามที่เราต้องการนะจิตไม่สงบทําก็สงบจิตไม่ดีทํำเขาดีอจิตมีความโกรธทาให้เขาหายโกรธต่างๆ Griffin. นี่เป็นการบังคับกดขม่มทั้งนั้นเลยถูกไหม บังคับกฎข่มด้วยไรด้วยความมีกิเลสด้วยความเป็นตัวเมืองตนอยากเท่าดีนะให้เขาดีตามเราต้องการนั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็คือให้เราเห็นตามที่เขาเป็นรู้ตามที่เขาเป็นเพราะเพราะว่าอะไรเพราะความจริงเป็นสิ่งเราสามารถรู้ได้ไหมใช่ไหมความจริงที่เกิดขึ้นในกายและใจเรามันไม่ต้องว่าต้องไม่ใช่ว่าต้องดีใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นในการเราใจนี่ดีหรือไม่ดีมีค่าเท่ากันนั่นคือเป็นพระไตรลักษณ์เสมอกันเขาแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาบังคับเป็นชาไม่ได้ทั้งหมด เราเห็นเขาไหมตรงนี้นะใช่ไหมแต่ถ้าเราเมื ore, ่อเราที่เราจะดีเราจะเริ่มเริ่มไปบังคับเขาให้เขาดีตามเราต้องการพราะการแบบรมก็คือเรากลับมาเห็นความจริงในกายและใจนี่แหละบังคับเขาไม่ได้นะเขาจึงไม่ดีใช่ไหมบางทีเขาก็โกรธเขาก็รักเขาก็กชงังเขาก็คิดเขาก็หลงไปเขาก็อิจฉาใช่ไหมเนี่ยเราเห็นเขาได้ไหมใช่ไหมเมื่อเราเห็นเขาได้แล้วนะตรงนี้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเราบังคับอะไรบังชาสิ่ตงต่างไม่ได้นะเมื่อบังคับไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงใช่ไหม บางทีถ้าเราไปบัตรมาหลาวันจะเห็นบางวันก็ดีนะบางวันก็ไม่ดีเมื่อเช้าดีทําไมตอนบ่ายไม่ดีนะเราเราก็มีความทุกข์มาคนที่ไม่สัมผัสพระไตรักจะมีความทุกข์มากทําไมปไปบัติมาต้องหลายปีแล้วมันไม่ดีถาวร น, นะมันทำไมยังหลงมากมายมีความโกรธอะไรมากมายกันเนะนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจความจริงต้องการเอาดีนะมันก็มีแต่ความทุกข์อย่างเช่นนี้แหละ แต่ถ้าไปบัตรแล้วเราเห็นนะมันมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรเมื่อวานมันดีวันนี้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรือไปบัตรมา5ปีวันนี้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรเลย <g ười> มันเป็นเรื่องความจริงเพราะมันแสดงพระศาสรมให้เราเห็นมากกว่าแสดงพระไตรลักษณ์แสดงความไม่เที่ยงนี่แหละตรงนี้การที่เราเห็นความไม่เที่ยงอย่างเดียวนะหรือความทุกข์อย่างเดียวหรือตายอย่างเดียวมันจะเกิดเป็นยานในตรงนั้นได้ใช่ไหมมันจะกลับมารู้ความจริงในศาสนาธรรมว่าระงับขับอะไรไม่ได้เลยก็จึงมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นัตาเนี่ยเมื่อมันเข้าตรงนี้แล้วนะมันเป็นปรระโยยชน์อ่างไ มันจะกลับมาทิ้วมากิววอกว่าตอนแรกว่าอุปทานขันธ์หานั่นแหละคือตัวทุกข์อุปทานขันธ์หก็คือการยึดติดว่านี่แหละคือการละใจของเรานั่นเองนะเมื่อมันสามารถเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์เป็นนาตาบังคับบัญชาได้ไม่บ่อยแล้วจิตจะรู้ได้เลยว่าเหตุที่เราบังคับก็ไม่ได้เขาจริงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะเ <c oughs> มื่อเราบังคับก็ไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาสิ่งใดที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่ของเราไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่มันจะค่อยๆถอดถอนนะถอดถอนความยึดมัน่นอุปทานเล็กๆน้อยหรือว่าอุปทานที่เราเคยยึดมามากมายนะเมื่อเขาถอดถอนเป็นในระดับหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าจิตเราก็เริ่มโล่งโปรง่งเบาลงไปแล้วจากการที่เราเ <c oughs> คยยึดมั่นในความเป็นตัวตนมินมาตลอดชีวิตเนาะความยึดมั่นจะลดลงไปโดยเราไม่รู้ตั ว, ต ว, ตวจากการที่เรา ค, อค่อยๆเห็นในสิ่งเหล่านี้บ่อยใช่ไหม ยิ่งเราเบบัตรนะเราจะเห็นว่ามันเดินนะเราจะเห็นว่ามันก็คือกายเดินให้เราเดินนะมันมีแต่ความรู้สึกในความเป็นกายเท่านั้นเองเราเป็นผู้ดูเขาใช่ไหมมันก็ค่อยๆแยกมาในทางกายใจเราก็เห็นนะ ม, มีแต่ความไม่เที่ยงเท่านั้นเลยนะความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยมันก็เป็นการแยกรูปแยกนามไปในตัวเราเห็นแค่รูปแค่นามไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะ <c oughs> ยึดที่เคยยึดมั่นว่าเป็นเรามาก่อนนะมันจะคลายออกจากความยึดมั่นได้เองนะตรงนี้นะหลังนั้นมันก็จะค่อยๆเข้าสู่พระเธรรมค่อยๆ ค, คลายออกจากความยึดติดเ้าเรียกว่าเป็นเวลาคะเวลาคะก็คือการคลายออกจากตัณหาตัณหาในการที่ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเรามีความทะยานอยากล้มทั้งหลายความยึดมั่นต่างๆ น, น, นะมันจะเริ่มคลายออกในตรงนี้เป็นเวลาคะหลังนั้นมันก็เป็นวิมุตติอ่า แล้วหลังนั้นมันก็จะค่อยๆคลายออกไปเรื่อยๆนะเป็นอนาลโย ค, คือการที่ไม่มีตัณหาไม่มีที่ให้ตัณหาใสอยู่แล้วนะอันนั้นมันจะเข้าสู่นิโรธได้อันไหนที่สุดเนาะทอนจิตที่เราสามารถที่จะเริ่มเห็นความจริงบ่อยๆในการยใจนี่แหละนะมันก็ต้องกลับมาสังเกตการยใจเราที่นี่ให้ได้นะใหม่ๆก็กลับมารู้สึกตัวให้ได้ก่อนในความเป็นกายยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดรู้รู้ไหมใช่ไหมเมื่อสามารถสังเกตกายได้แล้วเราจะไปสังเกตใจได้ ใจน่าเป็นของละเอียดเราจะลูบเขาโดยตรงไม่ได้แต่สายกายนี่แหละทําให้เราสามารถลูบรู้ใจได้เมื่อเรารู้ของหยาบในทางกายแล้วเราจะเริ่มสังเกตใจที่ละเอียดลงใดไปได้เมื่อเราสังเกตใจที่ละเอียดลงไปได้แล้วเราจะเห็นสภาวะธรรมที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของลมต่างๆเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาได้ชัดเจนนะตรงนี้มันเป็นเหตุให้เราสามารถเข้าใจในกายและใจเรานี่ว่าสิ่งเหล่านี้น่ะเป็นของสมมติขึ้นมาเท่านั้นเองนะเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นเขาเป็นตัวเป็นตนของเรา นะมันจะหลังจากที่เราเข้าใจแล้วจิตจะเกิดการคลายออกนะมันเป็นการเรียกว่าเมื่อเข้าใจมันก็เกิดการเบื่อหน่ายเกิดการคลายกําหนัดนะเกิดการปล่อยการวางการมีติดนะตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราสามารถที่จะสังเกตได้ว่าคนทาำคนทุกมันก็ไม่ไกลนะมันก็ไม่ไกลไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราต้องไปรอในชาติหน้าชาตินู้นอ่าสมัยไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมชาตินี้เราเกิดมนุษย์มันยังปฏิบัติไม่ได้เลยแล้วยังมีความทุกข์อยู่แล้วชาติหน้าจะไหวังอะไรใช่ไหม เพราะนั้นสิ่งอยู่ตรงหน้าเราก็คือเราเกิดมนุษย์มีสังมีขันห้าสมบูรณ์แล้วมีสติมีปัญญาแล้วนะตรงนี้ก็เรียกว่าเราโชคดีแล้วที่ได้เกิดมนุษย์เพราะฉนั้นอาศัยความเป็นมนุษย์นี่แหละรับประทานอาหารที่อยู่ตรงหน้าเรานะไม่ต้องไปรออาหารมือหน้าเนาะอาหารที่อยู่ตรงหน้าเรานะง่ายๆเนี่ยคือความรู้สึกตัวเรารับประทานได้ไหม <c oughs> ถ้าเรารับประทานได้แล้วนะตรงเนี้จะทําเราอิ่มนะเมื่อเราอิ่มแล้วเราจะรู้สึกว่า จิตใจเราจะเริ่มเข้าใจเบิกบานมีความเบิกบานมีความสุขจากการอิ่มนั้นนะตรงนี้นั่นแหละเมื่อเรารู้สึกตัวได้เรารู้สึกว่าเรามีความอิ่มแล้วนะจิตใจเรามีความสุขความเบิกบานนะเพราะฉะนั้นความทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะเราก็สังเกตความรู้กตัวให้ได้ก่อนความทุกข์ไม่ได้ไปไกลไม่ได้อยู่ชั้นหน้าชั้นไหนอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเมื่อเราสามารถที่จะทําจิตเราให้เริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มมันหยุดติตดแต่แล้ว จากการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ต่างแล้วเราจะสังเกตได้เลยว่าสมัยก่อนเราเป็นคนอาฆาตเป็นคนพยาบาทเป็นคนปองร้ายคนอื่นนะมีความโกรธแล้วก็ไปคิดแค้นเขานะทํำไมตอนนี้มันเริ่มเบาลงมันเริ่มหายไปนะมันไม่อากาศแบบสมัยก่อนแล้วเราก็มีความโกรธได้แต่มันก็เบาลงนะเหตุที่แบบนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามาันเปลน่างลูกสายเก่าลูกสายเก่าก็คือเราเคยเจ้าคิดเจ้าแค้น ต่างๆมามากมายนับพรมนัาชาไม่ทั่วแล้วนี่คือนุสัยเก่าแต่หลังจากที่เราไปฏิบัติธรรมแล้วเราสามารถสังเกตจิตใจเราได้แล้วนะออืมันก็ยังมีความโกรธอยู่นะแต่ว่าความมาฆ่าให้บาดความแค้นใจอย่างสมัยก่อนมันไม่มีแล้วแล้วมันจะไม่กลับไปเช่นนั้นอีกนะอันนี้ก็คือมันไปสามารถไปละนุสัยกิเลสตรงนี้ได้แล้วมันจะไม่กลับไปเป็นนุสัยเช่นเก่าแล้วนี่แหละเนาะมันมันเป็นเช่นนี้นะแค่เป็นเช่นเนี่ยพชาติเราตัดสั้นลงไปดังเยอะแล้วใช่ไหม มันเป็นสภาว่าน้ำอย่างหนึ่งที่ว่าเราสามารถสังเกตเข้าได้ไหมเนาะถ้าเราสังเกตเขาได้เราจะรู้สึกว่าเราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้านะมันไม่ได้ไปรอว่าต้องอถึงว่าชาแนวนี้แต่ปัจจุบันนี่เราสังเกตได้ไหมระเบิรรมแล้วน ะ, ะใจเราเป็นอย่างไรใช่ไหมกินอะไรเราลดลงไปไหมความทุกข์เราลดไปไหมหรือความโกรธเราลดไปไหมนะสามารถสังเกตได้นะถ้ามันลดลงไปนะไม่ต้องร 0% อยเปอร์ลดไปพอสมควรก็ใช้ได้แล้วนะ ตรงเนี่ยมันเป็นสิ่งเราสามารถสังเกตใจเราได้ถ้าเราสังเกตไม่ได้นะมันก็เพิ่มพูนมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้น <S <S <ๆ>การที่เรามาไปฏิบัติธรรมก็คือเรากลับรู้จักใจเราเนั่นเองนะเมื่อรู้จักใจเราเราจะสังเกตใจเราเป็นเป็นผู้สังเกตเขาไม่เป็นผู้ทำนะเป็นผู้สังเกตเขาเท่นั้นเองเมื่อเราสังเกตได้แล้ว <S <S <S 2> <S 2> เข า, ะเาะจะเบา ล, ลงเขาจะน้อยลงไปทุกอย่างเลยแต่เมื่อใดสังเกตเขาไม่ได้เขาก็จะพอะพูนกิเลสมากขึ้นเนาะนี่แหละเป็นผลทานที่เรียกว่าจะสู่การพ้นทุกข์ได้เนาะ เพราะฉนั้นในชาตินี้นะไม่ต้องรอชาติหน้าเอาให้เรียกว่าให้สําเร็จเลยนะตั้งแต่เป็นพระโสดาบันจนถึงพระรหันในชาตินี้เลยนะเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบามีคุณพระไตรน้อมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันธุทุกท่านเทอ ังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาก้าโตพระกวตาธรมโมธัมมังนา ม, สามิสุปฏิปันโนพะกวโตาสาวกสังคโฆ สังขังนะมามิ